ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอย่าเผลอใจไปกับการเวลาโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ พอดีช่วงนี้เมือม่อเมื่อวานมื่วันอาทิตย์แล้วก็เช้ามืดวันจันทร์เนี่ยนได้ยินแว่วๆพอท่านพูดถึงเรื่องอะไรนะอดีตปัจจุบันอนาคตมาก็เลยนึกๆอยู่ว่าเคยแม้แต่เนี่ยที่ตอนป่วยอยู่เวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลน่ยนะ ก็คุยให้ดังพยาบาลฟังอยู่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะนางพยาบาลบางคนเขาก็มีนะบางคนบัวผีก็มีบางคนก็คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่ก็มีก็เลยมีโอากาสได้ได้คุยได้คุยด้วยแต่ไม่ถึงกระเทศหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้คุยด้วยมีบางคนก็เป็นยามเฝ้าที่ที่จอดรถที่อะไรพวกเนี้ย ขึ้นมาขอของขังถึงห้องเลย <c oughs> โอ้อันนั้นคุยกันยาวเลยคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะั่นนะขอของลังนะแล้วเขาก็ห้อยพระเต็มคอเลยอุตสาหถอดพระออกมาบอกเอามาให้อัตมานเนี่ยช่วยช่วยจับช่วยเป่านะ <c oughs> โอ้เลยต้องคุยกันหน้าดูเลยละ่ะก็พยายามคุยให้เขาเข้าใจทิศทางที่ถูกต้องของศาสนาพุทธ ก็ดีมาครั้งเดียวหายไปเลยไม่มาอีกเลยก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสำเร็จไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็คงไม่กล้ามาอีกเลย <c oughs> อ่ะแต่อ่นนี้ก็นะอยากจะพูดพูดถึงอันเนี้ยเพราะว่าพอดีอาตมาก็มีเคยๆพูดพูดไปถึงยิ่งฟังพ่อทันเทศแล้วก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นแต่ท่ามาอาจจะแบ่งให้ง่ายๆ แบ่งเป็นสองส่วนง่ายๆนะอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องทางกายเราเนี่ยถ้าทางกายเราเนี่ยอนุมาเองถือว่ามันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นถ้ากายเราเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าอดีตมันก็ผ่านมาแล้วมไม่รู้จะยังไงนะมันสมมติใครจะเจ็บใครจะป่วยใครจะอะไรมาก็ไม่รู้แหละ แต่ผลปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละซึ่งซึ่งอันเนี้ยถ้าทางกายนี่มันมันไม่มีอะไรแ ล, ะละ้วแหะมันมันอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นน่ะส่วนใหญ่ซึ่งซึ่ ง, งพ่อท่านก็ะบีพูดถึงน ะ, ะว่าอะไรอะไรมันก็มีปัจจุบันแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสแต่แต่ท่านตรัสเนี่ยจริงๆแล้วท่านโน้มไปในทาง อาตมาก็จำสํานวนไม่ได้แล้วนะที่ท่านพูดถึงว่าอะไรนะอดีตเนี่ยมันมันล่วงเลยล่วงเลยมาแล้วอะ่ะใช่ไหมอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็พยายามให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดซึ่งซึ่งตัวจากที่สำคัญที่สุดก็คือจิตจิตคนเราเนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันนะให้ให้มากที่สุดถ้าโดยทางจิตใจคนเราเนี่ย ทียมมาพูดให้พยาบาลก็ฟังก็คือส่วนใหญ่ไม่อยู่กับปัจจุบันโดยสภาวะจิตนะสภาวะจิตคนเราเนี่ยที่ทุกข์ร้อนที่บางทีกัดกุ้มชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สบายอกไม่สบายใจส่วนใหญ่อยาอยู่กับอดีตมั่งหรือจิตมันก็ไปในอนาคตมั่งมันไม่ค่อยยอมอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงจะสอนคนเราเนี่ยว่า ต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันทั้งๆ ท, ที่กายจริงๆเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันนะกายคนเราจริงๆอะ่ะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยนั่งฟังธรรมะอยู่เนี่ยนะกายนั่งอยู่เนี่ยแต่จิตสิ <c oughs> อ้าบางคนห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ใช่ไหมอาจจะนึกไปแล้วนะนึกไปแล้วนึกไปในอนาคตก็ได้หรือบางคนเนี่ยคิดว่าว่าเออพรุ่งนี้นี่ เอ้นี่เดี๋ยวท่านจะเทศเลิกดึกหรือเปล่าอ น, นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราโอ้โหตื่นสายหรือว่าไปไปทำกิจอะไรของเราไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะคิดไปละในอนาคตแม้ว่ากายจะนั่งอยู่ดีก็ตามในปัจจุบันนี้แต่จิตเนี่ยไม่ค่อยยอมอยู่กับปัจจุบันหรือบางทีก็นึกไปในอดีตนะบางคนก็นึกไปเนี่ยไปถึงเรื่องดีใจบ้างเรื่องเสียใจบ้าง ใ น, ในอดีตคือจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป้าที่อยามาอยากจะพูดประเด็นนี้คืออยากจะพูดถึงจุดนี้เพราะว่าถ้าคนที่พยายามให้จิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ค่อยทุกมากแล้วก็จะไม่ฟุ้งซ่านมากเพราะคนที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่กับอดีตกับอนาคตซะมากจิตคนเราไม่รู้เราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าถึงได้สอนพยายามให้อยู่กับปัจจุบันบางทีเนี่ยเอาสมมติทำงานอะไรอยู่เาเอาเอาปกติเนี่ยทุกวันเนี้ยทำงานอะไรอยู่อย่างเช่นเดินอยู่เนียก็พยายามที่จะให้จิตเนี่ยอยู่กับการเดินวันนี้เดินอยู่นะต้องต้องมีสติต้องรู้ตัวตัวสำคัญที่สุดคือสติถ้าเผลอสติเมื่อไหร่เนี่ยไปแล้วเราเดินอยู่ก็จริงใช่ไหม แต่บางทีเนี่ยเราอะไรอะมองโนนมองนี่เราก็คิดอะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยคือมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่เราเดินเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยยิ่งยิ่งบอกว่าไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกถอดรองเท้าแล้วก็เดินเนี่ยเนี่ยเยเป็นการเพิ่มสติให้กับตัวเองเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้สีสัวเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าคนเราใส่รองเท้าชิบก็ย่าอะไรน้ําแก้วอะไรมันก็ไม่กลัวนั่นแหละสติมันจะขาด ง่าย เ, าเพราะว่ามันเดินไปนะมันก็คิดอะไรต่ออะไรไปก็ได้ออืแต่ถ้าเริ่มถอดรองเท้าแล้วเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยนะย่ําไปย่ําไปต้องมีสติมากขึ้นเอาเหยือไปตรงยี้เป็นยังไงมันมีหนามไหนไหมมันสกรปรกหรือว่ามันอะไรเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นอะไรเนี่ยมันมันจะต้องมีสติมากขึ้นเพวันคนจะอยู่กับปัจจุบันได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ต้องมีสติให้มาก โดยเฉพาะคราวนี้ที่อาตมาพูดนี่พูดแค่อากับกริยาของร่างกายเท่านั้นนะซึ่งจริงๆมันยังมันยังแบบว่าเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นสติธรรมดาเป็นความรู้ตัวแบบธรรมดาแต่จริงๆแล้วถ้าฝึกมาในทางปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นสติสัมโพชงเดี่ยวซ้ำไปคราวนี้ไม่ใช่สติแค่รู้กายอย่างเช่นล้างถ้วยชามอยู่ก็ต้องรู้นะว่ขาขณะนี้กําลัง ล้างถ้วยล้างชามอยู่จนบางทีเนี่ยเราก็ให้ฝึกน่าจะฝึกโดยอะไรอ่ะทำแบบสัมมาสมาธิอ่ะคือคือทำงานโดยที่เรียกว่าเราเดินเหินหรือว่าเราทำงานเนี่ยแต่จิตเราอยู่กับงานนั้นมีสติอยู่กับงานนั้ น, น, นแล้วก็รู้จักพิจารณารู้จักแยกแยะอันเนี้ยเป็นแบบสัมมาสมาธิไม่ใช่ว่า จะต้องมีสติรู้ตัวโดยชนิดที่เรียกว่าอะไรเหมือนทั่วๆไปบางทีอ้าวจะต้องอะไรอ่ะนั่งเจโตสมาธิหรือเขาเรียกนั่งเข้าสมาธิอะไรอย่างนี้นะคือจะมีสติดีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยต้องต้องหยุดไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะแล้วก็นั่งเนี้ยอ้วาวกำนวนลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พยายามจดจ่ออยู่กับ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าให้จิตไปที่อื่นนะอย่าให้จิตไปไหนนะน่าจริงๆเขาก็ให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่าให้มันมันบกแวกไปเรื่องอื่นเขาถึงเอากสินเข้ามาจะเป็นลมหายใจจะเป็นกสินไม่รู้ละดินน้ําลมไฟอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะใช้แต่เป้าหมายก็คือว่าต้องการให้รู้ตัวนะแล้วก็อยู่กับกสินนั้นน่ยให้จิตมันเกาะให้ติด เกาะให้ได้แล้วจิตมันถึงจะนิ่งมันถึงจะสงบลงเพราะทุกวันเนี่ยที่จิตคนส่วนใหญ่เนี่ยแปรปวนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยสงบเพราะจิตมันฟุ้งอยู่เรื่อยฟุ้งอดีตบ้างฟุ้งอนาคตบ้างมันจะกระโดดข้ามปัจจุบันอยู่เรื่อยเลยทั้งทั้งที่โดยสัจจาโดยความเป็นจริงเนี่ยบอกแล้วว่าคนต้องอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันจะเป็นความจริงที่สุดเลย อดีตกับอนาคตเนี่ยยังไม่จริง <laughs> แมว้ว่าอดีตนี่จริงๆมันจริงเลยมาแล้วนะแตม่มันเลยมาแล้วอ่ะมันปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้ว <laughs> เ, รเราต้องถือว่ามันไม่จริงอีกแล้วนะในปัจจุบันบางคนชอบกินอะไรอร่อยอร่อยนะเคยติดอร่อยมาแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบกินอีกแล้วก็ได้ <c oughs> หรืออาจจะยังชอบอยู่ก็ได้แล้วแต่นะแต่เราต้องถือว่าปัจจุบันเนี่ยจริงที่สุด ส่วนอดีตกอนาคตอนาคตยิ่งชัดใหญ่เลยใช่ไหมเพราะมันยังมาไม่ถึงยิ่งยิ่งยังไม่จริงใหญ่เลยแม้ว่าจะมีแนวทางหรือว่ามีลู่ทางที่จะเห็นว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะโอ้แต่ตัวแปรมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมเหตุการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะทําให้เราเจอปัญหาหรือว่าเราจะต้องผัสสะไอ้นั่นไอ้นี่จิตมันยังมีโอกาสแปรปวนได้ทั้งเยอะ เพราะฉะนั้นถึงได้พยายามว่าต้องอยู่กับปัจจุบันต้องหนักแน่นต้องมั่นคงใช่ไหมไอ้ที่จะเป็นอนาคตที่เราวาดหวังไว้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงตามที่คนนั้นมีพลังจิตนะมีความตั้งใจมีความเพี่ยนพยายามที่จะกระทําสิ่งนั้นไม่รู้และครั้งแล้วครั้งเล่าหรื อ, อยังไงก็ตามจนกระทั่งสามารถทําให้ไอ้ที่คิดเอาไว้ในอนาคตนะมันเป็นไปตามจริงอย่างนั้นเหมือนกับพุทธญาณตรัสว่า ประโสดาบันเนี่ยจะเที่ยงต่อการตัดสรุปเนี่ยคือมันจะไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นละมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะช้าจะเร็วแล้วแต่ขีดความสามารถแต่จะไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี่อยู่ที่ขีดความสามารถของคนคนนั้นแล้วก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิว่าว่าว่าว่าชัดเจนไมมมีความคิดมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่เนี่ย มากพอไหมแต่ตที่จะพูดแบบง่ายๆโดยปัจจุบันเนี่ยที่อาตมาบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ที่ทุกๆอยู่นะอย่างเช่นนะ่ายกตัวอย่างสมมติอาตมาป่วยไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่คืนนึงยกตัวอย่างให้ฟังมีอยู่คืนนึงอะนะคือคื อ, คอป่วยก็เป็นแบบเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะหัวใจรั่วอะไรอย่างเงี้ยเสดมีญาติธรรมมาเยี่ยม มาเยี่ยมเสร็จบอกโอ้ท่านป่วยเป็นโรคหัวใจแบบเนี้นะมันไม่มีทางกินยาหายได้อะ่ะมันต้องผ่าตัดลูกเดียวเท่านั้น <c oughs> นะแ ต, แต่เขาพูดด้วยเจตนาดีนะเขาบอกว่าผ่าตัดเดี๋ยวเนียง่ายมากเลยยิ่งช่วงเนี้ยอะไรอะอะไรนะที่เจ็ดร้อยี่สิบดวงไอ้เจ็ดเจ็ดสิบสองล้านหยดอะไรโครงการอะไรนะ แก้วตาดวงใจใช่ไหมอ่าเขาบอกตอนเนี้ยนะโอ้โหหมอก็ผ่าตัดเยอะเลยเพราะว่าหัวใจไงผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้บอกตอนเนี้ยหมอชํานาญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทําไปเนี่ยมันจะง่ายมากเลยเอออัตมาก็ยังดึกดื่ใจนะว่านี่ยังดีนะที่เป็นอัตมานะเออเวทอัตมาแล้วมาฟังอันนั้นก็เข้าใจเขา้านะก็รู้เจตนา แล้วก็อาตมาก็ไม่ไม่เป็นคนใจเสียอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเน่ยฟังแล้วก็เออก็เข้าใจก็ยิ้มยิ้มเยแล้วก็บอกเขาบอกว่าบอกว่าเออก็ก็พยายามรักษาแต่ถ้ามันรักษากินยาหรือว่าหาวิธีแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้ถ้าถึงจุดที่ต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดเนี่ยอันนั้นมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะแต่อาตมาก็นึกถึงว่าเนี่ย ปกติเนี่ยคนที่ป่วยหรือว่าเจ็บหรือว่าอะไรเนี่ยนะหนึ่งอะไรที่อยากที่สุดคนเจ็บป่วย อ, อยากได้อะไรที่สุดอยากหายใช่ไหม <c oughs> หนึ่งคืออยากหายเร็วเร็วเท่าไหร่ก็ยิงดีถ้าโดยปกตินะยิงคนทรมานนี่ก็ยิงอยากหายทรมานให้เร็วที่สุดอันนั้นก็เป็นความอยากของคนเรานะที่มันมันมันจะโลดแล่นไปถ้าคุ้นเผล่นะมันจะโลดแล่นไปว่า ยิ่งบางทีนี่หมอเขาพูดเปย์เปย์บ้างหรือใครมาพูดเปย์เปย์บ้างนะว่าโอ้โรคแบบนี้นี่มันน่าจะหายภายในเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะเนี่ยถ้าคุณไม่ทันนะจิตคุณไม่ทันเนี่ยมันมันจะเอาแล้วนะมันจะไปยึดไอ้พวกนี้ไว้นะแล้วมันก็จะมาปรุงเป็นอนาคตนะว่าถึงวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันจะมันจะต้องหายหรือมันสมควรที่จะหายแต่ถ้ามันถึงวันนั้นแล้วปรากฏว่าอ้าวเกิดเขาเลื่อนไปอีก ห, หรือว่าอาการมันเกิดไม่ดีขึ้นคนนั้นจะใจเสียละจะเริ่มใจไม่ดีเลยนี่ก็นี่ก็คือเหตุหนึ่งของของความทุกข์ของคนเราที่มันคิดไปในอนาคตนี่ขนาดคิดไปในแง่ดีนะแง่ว่าเออแม้ถึงวันนั้นวันนี้มันมันควรจะหายแต่แม้อย่างนี้แหละมันจะเผลอเผลอไปวาดหวังเผลอไปสร้างความหวังว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รับรองเลยเดี๋ยวถ้ามันไม่เป็น ปั๊บทันทีเลยคนนั้นก็จะเริ่มทุกข์อีกนะอาจจะเสียใจหรืออาจจะน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมว่าอาสนาบารมีเรามันแหมมันทําไมไม่หายมันน่า จ, จะหายแล้วอืมหรือถ้ายิ่งคราวนี้ถ้าคนนั้นกลัวถ้าไปเจอใครพูดทํานองนี้เขาเอาแล้วสิไ อ, ไอตอนคุยก็เขาอาจจะยิ้มๆก็ได้นะแต่พอเขาไปแล้วเนี่ย อาจจะวันนั่งคิดแล้วโอ้โหถ้าเกิดต้องพาอือยิ่งหัวใจเลยนะต้องพาต้องอะไรต้ออะไรโอ้โหมันคงจะเจ็บปวดมันคงจะทรมาร์อะครั้ น, นี้ไปอีกแล้วนะมันเริ่มปรุงเริ่มปรุงเริ่มขี้เปี้ยคราวนี้ทุกตั้งแต่ยังไม่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัตมาถึง น, นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อที่ให้พวกเราเข้าใจว่าส่วนใหญ่อะที่ทุกทุกเนี่ย แม้ว่าจริงๆนะมันมีปัญหาแล้วมันมีเรื่องเข้ามาหาเราก็จริงอยู่แต่จริงๆเนะี่ยบางทีไม่ต้องไปทุกวันมากหรอกเพราะส่วนใหญ่ที่ทุกข์มากจนกระทั่งบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะคิดไปเรื่อยอะคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคือไม่ค่อยยอมรับกับความเป็นจริงของปัจจุบันอย่างเช่นปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงน่อยู่ยังไงน่นมันดีแค่ไหนยังไงหรือว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหน ย, ยังไงเนี่ยถ้าพยายามอยู่กับปัจจุบันเนี่ย นะคนนั่งจะมีสติหรือเพื่อง่ายจะมีสมาธิอยู่กับตัวเนี่ยได้ดีและจิตมันจะไม่ค่อยแปรปวนจิตมันจะไม่ค่อยวันไหวอะไรง่ายเพราะนั้นกระทบเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยทุกข์อะไรมากแล้วคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่บางทีเขาเรียกว่าพลังจิตอ่อนเนี่ยใครที่ไม่ฝึกนะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็หัดตัดรอบของจิตเนี่ยนะ อาตมาบอกแล้วจะอยู่กับอดีตกับอนาคตเนี่ยมากถ้าถ้าใครเนี่ยนิสยนัยหลบเรียกว่าไม่กล้าชนหรือวันหนีเนี่ยส่วนใหญ่จะจมอยู่กับอดีตบางครั้งเนี่ยอดีตโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่ปีกี่ ป, กปีกี่ปีแล้วยังยังยังยังขุดขึ้นมาคิดอยู่เรื่อยเลยคิดอยู่เรื่อยเลยทั้งทั้งที่มันจริงๆมันตั้งแต่วินาทีที่มันผ่านเรื่องนั้นมาเนี่ยสมมติเอา อันนี้มันจะใกล้เกินไปมันจะไวเกินไปเอาอย่างว่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าวันนี้ก็คือวันนี้แล้ววันนี้คือวันใหม่แล้วไม่ใช่เมื่อวานนี้ยแต่บางคนนีก็ยังโอโเอามาคิดจนทุกขทั้งที่บางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยแค่ไม่ถือสาก็เออจบแล้วแต่ไม่เดี๋ยวก็มาคิดอีกแล้วเรื่องเล็กนี่แหละ เรื่องเล็กเนี่ยพอคิดมากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อเข้ามันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะน้ํามันเต็มตุ่มเพะน้ําทีระหยดก็แตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ค, คิดยำ้ำคิดซ้ำคิดบ่อยๆ ย, ยิ่งไอ้ในทางเลวร้ายอะ่ะในทางขวงกังวลในทางทุกข์อะไรพวกนี้คุณไปไม่รอดหรอกนะสภาวะจิตจะไม่ดีเลยแล้วก็ไม่มีพลังเลยนะ จิตบอกแล้วมันจะไม่มั่นคงเลยมันจะลวนเลง่ายคราวนี้เนี่ยยิ่งไปกระทบเรื่องใหม่อีกนะเพราะว่าคนเรามันต้องมีเจอผัสสะอยู่แล้วอะ่ะมีเรื่องโดนเข้ามาอีกเรื่องนี้เข้ามาอีกโอ้โหคราวนี้คุณตอนแรกก็เซมาข้างซ้ายเอาโดนก็แทกอีกนะเป๋มาข้างขวาเอาโดนอีกอะไรอีกมันแกว่งไปแกว่งมาเลยและ่ะเรียกว่าจิตเนี่ยจะหยุดนิ่งได้ยากเมื่อจิตหยุดนิ่งได้ยากสงบยาก วิ่งโดยเฉพาะตอนนี้นะพวกที่ปฏิบัติทำสายที่ใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งซึ่งซึ่ ง, งถ้า อ, อ, อันนี้จะแบ่งเป็นแบบว่าสายปัญญาที่พิจารณาได้ดีกับพิจารณาได้ยังไม่ดีไม่เก่งง่ายง่ายพวกพิจารณาได้ดีก็ดีไปนะก็ไม่ค่อยแว่งก็ใช้ปัญญาเนี่ยแก้แก้ได้ได้เร็วแก้ได้ง่าย แต่พวกพิจารณาไม่เก่งคือในขณะที่คิดไปมันก็พุ่งไปคิดไปมันก็พุ่งไปมันก็คิดเหตุผลน้นเหตุผลนี้ยิ่งฟังคนนัน้นคนนี้อะไรโอ้โหเหตุผลมันเยอะมากเลยจบไม่ลงเลยนะข่าวนี้่หัวบวมเลย <c oughs> ต้องคิดมากแล้วหาที่จบไม่ลงด้วยเมื่อหาที่จบไม่ลงเนี่ยจิตมันจะนิ่งได้ยังไงเมื่อจิตไม่นิ่งลงได้ทุกไปตลอด มันไม่มีวันสงบจิตสงบใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจปัจจุบันธรรมเนี่ยพยายามนะให้จิตเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันธรรมซึ่งอาจามาบอกแล้วถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันธรรมนะอนาคตมันจะเป็นไงก็ก็เป็นไปตามวิบากกรรมมันอยู่แล้วละ่ะถ้ายิ่งคุณเชื่อเรื่องวิบากกรรมนะว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณทําเองทั้งนั้นไม่มีใครทํานะถ้าเราชัดประเด็นนี้นะว่า เราทำเองทั้งนั้นจะเจ็บป่วยจะหนักจะเบ า, จ ะ, เบาจะมีโชคก็ราบหรือว่าจะมีเคราะห์ร้ายเราทําเองทั้งสิ้ น, นแล้วถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเรามีวาสนาบุญบา ร, รมีมากพอนะไอ้วิบากนะั้นมันไม่หนักจนเกินไปไม่ใช่อนันตริยกกรรมอะไรบางทีเราเจอแต่เรามีบุญวาสนาบา ร, รมีพอเออมันก็อาจจะบรรเทาลงไปได้บ้างอันนี้ก็เป็นสัจจะเป็นตามความเป็นจริง คุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอย่าเป็นแบบคนโลโลๆทั่วๆไปที่พอรู้สึกจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบตัดสินใจอะไรไม่ได้พึ่งอะไรพึ่งอะไรไม่ใช่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพึ่งอะไรส่วนใหญ่ฮะไม่ไม่ต้องถึงสสยศาสตร์อะ่ะอันนั้นมันยังไม่ตรงใช่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยหมอดูพึ่งหมอดู ยิ่งไปพึ่งหมอดูเนี่ยนะคุณยิ่งไม่รู้จักตัวเองเลยแล้วก็จิตจะยิ่งไม่นิ่งเลยเพราะคราวนี้ชะตาชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตอยู่ที่หมอดูถ้าเขาดูมาดีคุณก็อาจจะสบายใจหน่อยเขาดูมาไม่ดีคุณทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมแล้วก็หมอดูคนนั้นนะ่ะบอกจริงๆเหรเขามีอนาคตังสยานคือเขาเขาสามารถที่จะยังรู้จริงเหรอ ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญด้วยสมมุติว่าหมอดูสักร้อยคนเนี่ยอ่ามันร้อยน้อยไปมัง้งสักพันคนเนี่ยจะมีใครที่สามารถที่จะรู้อนาคตของคนได้จริงๆบ้างนะจะมีสักกี่คนเอาซึ่งโอ้โหมันยากมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตนี่ไปฝากไว้กับหมอดูอืม บางคนเขาบอกเขาไม่ได้ไปหาหมอดูหรอกเขาไปดูหมอ <c oughs> เอออย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันเขาโตเ อ, อ้ยแแปะเอีย่ยนะ <c oughs> เขาเรียกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ญาณ์นะจริงๆอผู้เจ้าถึงได้สอนว่าตนเป็นที่บึ้งของตนเพราะว่าเราจะเจอวิบากอะไรยังไงนะโชคดีโชคร้ายยังไงนะหรือเคราะดีเครา ะ, ะร้ายยังไง ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นโดยเฉพาะจิตใจของเราเองคนที่จะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ได้พ้นทุกข์แค่เรื่องร่างกายนะบอกแล้วอันนี้มันแล้วแต่วิบากนะอาตมาเองก็พยายามนึกๆอยู่เหมือนกันบางทีเจ็บป่วยได้ไข้อะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหทําไมเราต้องเจออย่า ง, างนี้ย่นี้บางทีไปนึกนะว่าเออชาตินี้เนี่ยเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเราไปเบียดเบียน เบียดเบียนอะไรใครเข้าไว้หรือเปล่าบางทีก็นึกไม่ออกนะก็ยังเมื่อ น, นึกไม่ออกเนี่ยก็เราปฏิบัติทำมาก็เออมันก็คงเป็นชาติไหนๆก็แล้วแต่ละเราก็คงทำเอาไวอ้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เออพยายามใช้กรรมไปโดยที่ใช้ให้มันดีที่สุดโดยอะไรโดยให้มีจิตหนักเด่นมั่นคงให้มากที่สุดอัตมาสังเกตจากตัวเองนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่น ไปนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบสองเดือนอาสาสมาสังเกตคนะ่าวไหนนะที่เขามาปักเข็มเนี่ยเข า, เาให้ยาให้ยาโดยเข้ากระแสเลือดเนี่ยข่าวไหนที่เขามาปักเข็มคือมันมันจะเจ็บเพราะว่าเขาจะใช้เข็มใหญ่หน่อยเพราะว่าปักเข้าไปแล้วก็จะคาเาไว้นะจะคาเข็มเอาไว้คือข่าวไหนเนี่ย อาตมาสังเกตดูถ้าจิตอาตมาเนี่ยมันมันเสียวเสียวมันมันกลัวกลัวไปก่อนเนี่นะข้านั้นจะรู้สึกรู้สึกว่ามันอะไรอะ่ะมันเจ็บมากเออมันเจ็บมากแต่ถ้าข่าวไหนเนี่ยอาตมาไหวทันนะจับอารมณ์จิตของเราทันแล้วก็เอ้ยก็เขาก็มาทาตามหน้าที่แล้วเราเขาก็ต้องให้ยาทางเส้นเลือดเราแล้วเราก็หนีไม่พ้นแล้วก็เวรกรรมเราต้องโดนเจาะอยู่แล้ว นะแล้วก็วางนะวางจิตวางใจไปเออคราวนั้นไม่ค่อยเจ็บอะถึงบอกว่าจิตนี่มันสำคัญมากพระเจ้าถึงถึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตนี่เป็นประธานไม่ใช่ว่าเราไปสะกดจิตนะแต่เราวางใจเราได้เนี่ยวางใจให้มันสงบได้อะให้มันนิ่งได้ไม่ให้ไปวาเสียวไม่ให้ไปกลัวเพราะว่าอาตมาเข็ดตั้งแต่ตอนเข้าไปใหม่ๆอะ่ะที่ไปนอนเกือบสองเดือนเนี่ย เพราะว่าเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขาจะรอรอให้เราเกิดอาการหนาวสั่นนะอาการหนาวสัน่นเขาจะมาเจาะตอนนั้นเพราะว่าอันนี้เขาต้องการเหมือนว่าอาการกําลังเกิดเนี่ยแสดงว่าเชื้อมันกําลังเล่นงานเขาต้องขอเจาะตอนนั้นเพราะว่าถึงจะพบเชื้อได้ง่ายเสร็จแล้วตอนนี้ก็มันสั่นไปหมดทั้งตัวใช่ไหมมือก็สั่นนะนะเสร็จแล้วเขาก็ พยาบาลเนี่ยตอนแรกเขาคนเดียวเนี่ยเขามาจับแล้วก็พยายามที่จะเจาะมันก็สั่นไปสั่นมาโอ้ปรากฏว่าเขาก็เจาะแล้วมันก็ไม่เข้าอ่ะไอ้มันเข้าแต่ว่ามันบิดไปบิดมาเขาก็เอาเข็มแทงเข้าเส้นเลือดไม่ได้แต่มันแทงเข้าเข้าเนื้อไปแล้วอ่ะเสียแล้วมันก็สั่นไปสั่นมาใช่ไหมก็ห้ามตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันหนาวแล้วมันก็สั่นจะระงับก็ระงับไม่อยู่ เสร็จแต่หลังก็ไม่สาเร็จใช่ไหมเขาก็เลยต้องถอนเข็มออกเสร็จแล้วก็เอาเปลี่ยนเข็มใหม่มีพวกเราที่เฝ้าอยู่อบอกโอ้โ oh, ห oh, เข็มงอเลยอันนั้นเกินไปนะอัตนนมาไม่ใช่อยู่ยงคงกรพันแบบหนังเหนียวเข็มงอไม่ใช่หรอกแต่ว่าตอนนี้มันเจาะเข้าไปแล้วมันไม่สาเร็จเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเข็มมันอาจจะมันโดนกระแทกสั่นไปสั่นมา มันก็คงไม่เข้าที่มันนะ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเข็มใหม่แล้วก็เจาะมาอีกคราวนี้พวกเรามาช่วยจับเอาไว้มาช่วยจับมือเอาไว้แล้วเขาก็เจาะโอโหแต่ครั้งนั้นนะ่ะเป็นครั้งที่ปวดที่สุดเลยน่าอัลมาปวดตรงที่เขาเจาะเนี่ยเพราะว่ามันไม่สําเร็จนะนะแล้วเขาก็เจาะแล้วมันก็บิดไปบิดมาโอโหปวดอยู่หลายวันเลยนะปวดแขนตรงนั้นนะ่ะปวดอยู่หลายวัน มันเลยทำให้บางทีพอหลังๆเข้ามาจ่อเราก็เลยเสียวๆไงเพราะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะอดีตใช่ไมดูนะอดีตที่เราเจ็บปวดมาเนี่ยมันคาอยู่มันคาอยู่ในสมองเราแล้วถ้าเรายังไปยึดเอาไว้เรายังไปจำเอาไว้มันก็จะตามมาปัจจุบันอย่างคราวนี่พอเขาจะมาจอ่อใช่ไมเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะฟังดูอีดีนะคือจิตเราเนี่ยมนไปคิด เอาอาดีตเนี่ยมาคิดจนกระทั่งเรากำลังนึกว่าเดี๋ยวมันเป็นแบบอดีตนี่นี่นี่จิตมันมันเผลอไปแล้วนะมันเผลอตัวไปแล้วนะมันเอาอาดีตจะมาเป็นปัจจุบนันละแล้วก็เป็นอดีต ท, ที่เจ็บปวดเพราะมันจะกลัวจะเกิดอาการหวาดเสียวขึ้นมาเอ่อาจามาถึงบอกว่านี่นี่ยกตัวอย่างเท่านั้นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ย มันมีเรื่องตั้งเยอะตั้งแยะในในชีวิตคนเราบางทีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากมายเลยแต่ทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่อะไรอะทุกข่วงกังวลเศร้ามองอโกรธเกลียดชังอะไรพวกเนี้ยที่ไปในแง่ลบอะถ้าใครคาเอาไว้ในจิตคุณจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นปัจจุบันอาตาว่าจะบอกให้ ทั้งๆ ท, ที่จริงๆเนะ่มันไม่ใช่นะมันเป็นอดีตคือไม่ยอมจบอะ่ะยังให้มันตามมาจนกระทั่งคุณเอาอาดีตมาเป็นมาเป็นเดี๋ยวนี้ละซึ่งถ้าใครเผลออย่างเงี้ยโอ้โหเขาเรียกว่าคนอมทุกข์ไปตลอดอะ่ะไม่มีวันผ่ อ, ผองใสไม่มีวันแจ่มใสได้เลยว่าอะไรที่มันไม่เข้าทีไม่เข้าท่าคุณไม่ต้องกลัวว่าโอ้เดี๋ยวถ้าไม่จำไว้เดี๋ยวจะลืมหมด กูไม่ท่องหรอกมันไม่ลืมหรอกแต่อย่าเอามาเป็นปัจจุบัน